โมุตราสง์ช่วยงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แกพ่พรรษานั่งกระยองประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีเช่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งโฮมบุตราสง์ช่วยงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมื อ, มอกล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้า